เชื่อว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอค อ, อยไม่ใช่คอยตามาพูดนะแต่คอยตามาพูดจบมากกว่าเพราะถ้าจบแล้วแปลว่าจะได้กลับบ้านหรือว่าจะได้เก็บข้าวเก็บของเก็บเต็นตเพราะว่าหลายคนก็อาจจะค อ, อยเราอยู่นะอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่อแม่นะ ทางผู้จัดเนี่ยก็อยากจะให้มาพูดนะตบท้ายโดยการเน้นประเด็นว่าชีวิตนเนี่ยเนี่ยเป็นของขวัญอลัมค่าคาว่าชีวิตนี่เป็นของขวัญอลัมค่าเนี่ยความหมายในแง่ก็คือว่าการที่ เรามีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโชคเป็นลาภเป็นประเสริญยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายเลยปรองเปรียบเหมือนกับมีเตา ตาบอดอยู่ตัวหนึง่งซึ่งร้อยปีเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อหายใจและในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ก็มีห่วงไม้ห่วงไม้คือว่าไม้ที่มันมีรูอยู่ตรงกลาง เราลองนึกภาพนะว่าการที่เต่าตาบอดตัวนี้เนี่ยนะร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วโผล่ขึ้นมาตรงกลาง่วงไม้พอดีเนี่ยมันจะใช้เวลานา น, านเท่าไหร่นความเป็นไปได้เนี่ยจะมีน้อยเพียงใดการที่สัตว์เนี่ยนะ จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากประมาณนั้นแหละและตอนนี้เราทุกคนเนี่ยนะก็ได้มีชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตธรรมดาเป็นชีวิตนะอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีชีวิต ในขณะนี้เนี่ยนจึงเป็นเรื่องที่เป็นยิ่งกว่าโชคเป็นยิ่งกว่าลาบอันประเสริฐอีกการเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นเป็นสภาวะอันประเสริฐ เทวดาเนี่ยนะเวลาจะจุดติจุดติแปลว่าดับนะไม่ได้แปลว่าเกิดคนเราไปเข้าใจว่าจุดติแปลว่าเกิดจุติความหมายคือแปลว่าดับเมื่อเทวดาจะจุดติเนี่ยก็จะมีการอวยพรในหมู่เทวดาว่าขอให้เทวดาที่จุดติแล้วเนี่ยมาเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสุขติของเทวดา อันนี้เราไม่ค่อยรู้นะเรามาักจะคิดว่าเรารู้แต่เพลงว่าเทวดาเนี่ยหรือสวรรค์เนี่ยเป็นสุปกติของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็อวยพรอขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นะแต่เทวดาเนี่ยนะเวลาจะจุดติเขากลับขอให้มาเกิดมาเป็นมนุษย์เพร่อล่ะเพราะการเป็นมนุษย์เนี่ยนะไม่ใช่ยากอย่างเดียวแต่ว่ามนุษย์เนี่ย ประเสริฐหรือเหนือกะเทวดาอยู่สามอย่างก็งคือประเสริฐในแง่ของมีมีสติดีกว่ามีความเพียรมากกว่าได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์หรือเพื่อคือปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้ได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรารชา พ, พุทธแล้วเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างขนาดเนี่ยมันเป็นทั้งโชค มันเป็นทั้งลากกันประเสริฐเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถเข้าถึงสิ่งดีงามเท่าที่ชีวิตจะเข้าถึงได้สิ่งดีงามสิ่งประเสริฐสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้หรือทุกชีวิจะเข้าถึงได้เนี่ยสหรับชาวพุทธแล้วก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะแต่คือความพ้นทุกข์ คือนิพพานนั่นเองเนะนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะเรามีศักยภาพนะที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนจนกระทั่งเทวดามารพรมก็เคารพนะตอนนี้เนี่ยเวลาบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของขวัญล้ำค่าเนี่ย อัตมาไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ามีชีวิตมีลมหายใจอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายรวมถึงว่าทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเรามีกายมีใจมีสถานะมีครอบครัวนะมีหลายอย่างอย่างที่เรามีตอนนี้เนี่ยนะเป็นของขวัญด้วย พ็เมื่อเช้าเนี่ยตามาเมื่อเช้าวานตามาก็ได้พูดไปแล้วนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีของดีในตัวตรามีของประเสริฐอยู่กับตัวการที่ตาเรายังมองเห็นหัวเริงได้ยินนะเรายังพูดได้เรายังสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้เราไม่เอายาพวกสาิบสองเนี่ย แท้จริงแล้วมันคือความสุขคือโชคอันประเสริฐยิ่งหลายคนไม่สามารถจะมองเห็นเหมือนอย่างเราเพราะเขาตาบอดหลายคนก็ไม่สามารถจะได้ยินเหมือนอย่างเราเพราะเขาหูหนวกหลายคนก็ไม่สามารถจะเดินเหินมานั่งตรงนี้ได้เพราะเขาพิการเพราะเขาเป็นอมัอมาพาตอัมพาตเพราขานอนติดเตียงหรือไม่ก็เพระเขาแก่ชารามาก อยากจะเดินแต่เดินไม่ได้ก็ยังพยายามฝืนเดินแม้จะเดินเข้าห้องน้ําก็ขอเดินด้วยตัวเองมีคนแก่หลายคนเนี่ยนะลูกหล า, กานก็ดีพยาบาลก็ดีไม่อยากให้ผู้เฒ่ า, น า, านเนี่ยอายุ90สกว่าเนี่ยเดินไปห้องน้ําเลยแต่เจ้าตัวก็จะขอเดินเพราะการเดินมันหมายถึงการที่เขายังมีอิสระยังมีความเป็นตัวของตัวเองหรือยังช่วยตัวเองได้ พวกเราไม่ค่อยรู้นะว่าการที่เราเดินได้เนี่ยมันมีมันเป็นโชคเป็นราภยังไงบ้างหลายคนไม่อยากเดินนะแต่พอแก่ตัวผมเนี่ยพอแกตัวผมพอแก่ตัวลงไปเนี่ยจะกลับโหยหาอยากจะขอเดินแต่ถึงตอนนั้นอาจจะเดินไม่ได้แล้วก็ได้เนะพราะแก่มากชรามากหรือว่าเป็นน้มาพาุกมพลาดหรือว่าวิสายเรยงระยา การที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนะการที่เรามีมีลูกมีคนรักมีพ่อมีแม่อยู่กับเราขนานี้เนี่ยเราตระหนักหรือเปล่าว่ามันเป็นโชคมันเป็นลาบแบบประเสริฐมากหลายคนไม่ตระหนักจนเมื่อสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสี ย, สส ย, สสยลูกหรือว่าเจ็บป่วยนะถึงค่อยรู้ว่า ไอ้ตอนที่เรามีสิ่งนั้นอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นโชคที่มีความสุขมากเพียงแค่คุณนอนเพียงแค่คุณหัวถึงหมอนและคุณหลับได้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่านั่นคือโชคหลายคนนอนไม่หลับแม้ว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่นอนไม่หลับต้อมารู้จักเศรษฐีนะ คนนึงเนี่ยเธอรวยมากเลยแต่เธอมีความทุกข์มากที่ว่านอนไม่ค่อยหลับนะไม่ใช่เพราะว่ามีความเครียดอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิของเธอเนี่ยนะมันทำให้มีปัญหาในการนอนแล้วดียงแค่กินได้นอนหลับหรือไม่จะ่ถายคลองเนี่ยนะ เราเคยตะหนักหรือเปล่าหรือเปล่าว่ามันเป็นโชคอย่างยิ่งนะมีคนป่วยคนหนึ่งนะอยู่ในนาสุดท้ายจะขอพยาบาลขอกินกาแฟสักหน่อยขอกินกาแฟแค่นี้นะขอกินข้าวเหนียวทุเรียนแค่นี้พยาบาลไม่ให้กิน เพราะถ้ากินแล้วในเรื่องใหญ่นะข้างในปั่นปวดหมดเลยกินไม่ได้แต่ว่าอยากกินนะ่ะนะตอนนี้แกก็เสียชีวิตไปแล้วนะแกรวยมากนะแกมีมีฐานะตำแหน่งเป็นอดีตข้าราชการท่านผู้ใหญ่เป็นกน ร, ร ะ, ะกสเปนประลักกระทรวงเป็นประธานกรรมการบริษัทและวิสาหกิจที่ใหญ่มากแต่สุดท้ายปลายทางก็ แม้แต่กาแฟแค่นี้ยังกินไม่ได้ถ้าเรายัง ก, กินได้นี่ก็ถือว่าโชคดีที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เรามีนะพนะนั้นนะที่ถือว่าเป็นของดีของหายากของประเสริฐซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเแล้วใจอันนี้รวมถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วย สิงที่ผ่านเมาในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแค่สองอย่างนะสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเนี่ยภาษาพราะเราเรียว่าอิทธาโรได้ลาบเช่นก็มีลกทธธรรมสี่ใช่ไหมได้ลาบได้ยศได้รับควาเสรอเสรอิอแล้วมีความสุขสิ่งที่ไม่ดีนะท่านก็สรุปย่อๆเป็นสี่เหมือนกันคือเสียลาบ เสื่มลากเสื่อมยศแล้วก็นินทาแล้วก็ทุกที่จริงมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าศาสตี่ตัวเนี้ยมันก็กินความเยอะแล้วหลายคนมากคิดว่าเฉพาะจะมีโชคได้ก็ต่อเมื่อได้ลาบได้ยศได้คำสารเสริจหรือว่าได้ความสุข ส, สดวกสบายแต่ที่จริงเนี่ยของฝันสําหรับชีวิตของเราไม่ได้มีแค่นี้นะ ไอ้สิ่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นของความเมือนกันอาจารย์ประมวลนะได้พูดไปเมื่อวานว่าความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียความพัดพร่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ให้เราบรรลุธรรมนะบางคนก็พูดง่ายกว่า น, นั้นว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นเคยได้ยินมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแม้แต่สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราก็เป็นของดีถ้าเรามองดูให้ดีนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นเพราะว่ามันสามารถจะ ไห้ไประยชกับเราได้นะคำต่อว่าด่าทอนะก็ดีทั้งนั้นนะก็ดีเหมือนกันนะอาตมาได้พูดถึงคุณแม่ชีสาที่โดนพระด่าลูกศิษย์หลวงปู่ขาวอนารโยนะถูกสั่งให้มาด่าแม่ชีสาแม่ชีสาก็ไม่โกรธเลยนะพนมมือฟัง ด้วยการสงบพอพระดาดบจบแม่ชีษาก็บอกว่าท่านอาจารย์ด่าจบแล้วเหรอสันฟังและทราบซึ่งเหลือเกินที่อาจารย์ด่านี่ธรรมะาทั้งนั้นคราวหน้าใ็ไมมาด่าใหม่นะเพราะว่าจะได้ขูดกิเลสคำด่าก็เป็นเป็นโชคหรือเป็นของขวัญ น, นะต่อมาเมื่อวานนี้ก็ยกตัวอย่างคุณโจรนนะที่โดนแม่บ้านดา่าโดยแม่บ้านดานะ แม่บ้านให้ไปไปไปเช็ดไปทําความสะอาดลูกปิดประตูด้วยประสโซกกำลังทําเสร็จอยู่แล้วนะแม่เอดีผู้จัดการมาเห็นก็ด่าทําได้ยังไงมันทาไม่ได้เอาประโซมาถูไม่ได้แม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งได้แท้พอเจอแบบนี้ก็เลยะสมลงด่าคุณโจรแต่คุณโจร น, นะ ปรนมมือไหว้แล้วก็ยิ้มขอบคุณครับนะจนรทั่งวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนแม่บ้านก็เรียกมาว่านี่ฉันสงสัยเหลือเกินนะเวลาฉันดา่าเธอทำไมเธอ ย, ยกมือไหว้ฉันคุณโจ้ก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าแม่บ้านให้ทาให้เข้าได้มาเห็นตัวเองได้มาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง นะถึงแม้จะไม่ผิดนะแต่ว่ามันก็ได้มาทำให้มาจัารับมือ ก, กับอารมณ์ของตัวทำให้ไม่ทุกข์ทำให้ไม่โกรธกายเป่ของดีไปแต่สุดท้ายแม่บ้านก็รับแต่นั้นก็เลิกดานะเพราะว่าแพ้ใจนะแพ้ใจเห็นนะคาด่าเนี่ยก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์เมืนะ่อวานเนี่ยอาจารย์ประมวลก็พูดเหมือนกันนะว่า ถูกพระนะถูกเจ้าว่าท่านไล่บอกว่าพระนี้ไม่ต้อนรับคนจรจักคนเร่ร่อนตอนที่ท่านเดินเท้าเปล่าไปเกาะสมุยจากชิงใหม่แทนที่จะเสียใจแทนที่จะโกรธนะเราเคยเป็นครูบาอาจารย์ของพระมาวันนี้โดนพระไล่โดนพระเฉดหัวไปนั่นกับซาบซึ้งใจ ซาบซึ้งใจว่าวันนี้ท่านสอนโลกธรรมฟังแล้วนึกถึงพระอาจารย์ทองรัตน์นะลูกู่ทองรัตน์ถ้าเป็นลูกศิหลวงปู่มั่นลูกสิหลวงตู่กินนรีถ้าเป็นผ้าที่เรียกว่าผาดผลไม่เหมือนใครบางทีเวลา บ, บ, บินรบายก็ชักชวนให้ชาว บ, บ้านเอาเอากล้วยมาถวานยะเอาผักมาถวาย ชาวบ้านบางคนก็ไม่พอใจหาว่าพระนี่มาขอที่จริงท่านตั้งใจจะชวนชักชวนให้เข้ามาทําบุญนะของที่เข้ามาสว้ใส่บาทท่านไม่ฉันแล้วนะเพราะว่าท่านถือว่าถ้าท่านฉันท่านอาบาัตแต่ท่านท่านตั้งใจจะมีเจตนาจะชวนชาวบ้านให้ทําบุญแต่ชาวบ้านไม่เใจมีคนนึงเนี่ยวันหนึ่งก็พอท่านมนธนบาตรก็หย่อนบัตรสรุงเทพใส่ไปในบาทมงกุฎรองรับที่ท่านรู้เลยนะว่า ไอกระดาษที่ใส่ลงไปในบานเนี่ยมันไม่ใช่ของดีแนะ่องต้องคงมีคนเขียนมาดา่าพอท่านถึงวัดนะก็บอกพระเนมมาเลยบอกว่าพระเนมนมามาเร็วๆตอนนี้เนี่ยนะวันนี้ได้อมฤตธรรมจากเทวดาให้รี ม, มาฟังเร็ว แล้วท่านก็หมผ้าอย่างดีนะพร้อมสังขติพระนี่เวลาหมสังัตินี่คือเรื่องใหญ่นะมาฟังอมฤตธรรมกั บ, บเทวดาแล้วก็ให้เนเ น, เนี่ยแต่อ่านเนก็อ่านพระถีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้ามาขอมาประกบประแจงญาติโยมพระแบบนี้ไม่น่านับถือนะไม่มีธํามไม่มีวินยัยนะ ให้ออกไปจากวัดถ้าไม่ไปจะมีลูกกระป่วงมาฝากนะไอ้คนเขียนเก็ปาสนาดีนะเขาก็เห็นว่าพระดีมต้องเป็นยังเป็นอย่างไงเขาก็อยากจะรักษาทรมวินัยเอาไว้แล้วเขาไม่เข้าใจว่าหลวงปู่ทองรัตน์ท่านทำอะไรพอเนอ่านจบท่านก็บอกโอ้ของดีแท้ๆเคยได้ยินแต่ว่าโลกปรธรรมแเป็นอย่างไร วันนี้ได้เห็นกับตาได้หินกับหูเลยนะว่าโอ้โลกธรรมแปดเป็นอย่างนี้เองโลกธรรมแปดคือว่าได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศสารเสริมนินทาของดีตัวของดีแท้แทะเอาเกดได้ปบูชานะเสร็จแล้วเอากระดาษเก็ไว้ใต้ฐานพรนะท่านเอาคําด่าเนี่ยนะท่านเห็นว่าคําด่านี่นะของโยมเนี่ยคืออาบริจตธรรมจากเทวดาเป็นของขวัญจากเทวดาเลยนะนะ เอามาใช้ประโยชน์สอนเนนะว่าให้รู้ว่าโลกปรําแสกไปนยังไงนี่เฉพาะเรื่องคำด่านะแต่ไม่ใช่เฉพาะคำดานะเหตุร้ายๆต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นโชคเหมือนกันนะความเจ็บป่วยบางทีก็เป็นของขวัญ น, นะความเจ็บป่วยนี่ถ้ารามอยดีก็เป็นของขวัญ หลายคนบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งพเพราะมะเร็งทำให้ได้พบธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่เจอธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะนี่ประเสริฐอย่างไรทำให้คิดพบความสงบเย็นมีพี่ยงคนหนึ่งนะวันหนึ่งแม่เนี่ยมรู้ตามาเล่าหรื อ, อยังไนีย ที่ที่เสียลูกอ่ะเราอย่างฮะ<ฆ>เธอเล่าว่าวันหนึ่งลูกอายุสิบห้ามาขอมาขอเธอไปไปเรียนไปที่อินเดียเจอเก็ดเห็นว่าลูกเนี่ยรับผิดชอดตัวเองได้ดีนะเป็นผู้ใหญ่ก็เลยให้ลูกไปเรียน ปรากฏว่าลูกไปอยู่อินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ไปไว่ายน้ำเล่นแล้วก็จมน้ำตายเธอเสียใจเสียใจมากและที่ยิ่งกว่าความเสียใจวยความสุดผิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำให้ลูกตายถ้าเธอไม่อันนี้ให้ลูกไปลูกก็ไม่ตายเธอสึกเจ็ดปวดปวดร้าวมากนะมันอยู่ยากนะเจอเจอความรู้สึกแบบนี้ หลายคนก็อาจจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็ถ้าทําได้เธอก็คงจะทำํำแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ทําก็อยู่ร้อนนอนทุกข์จนกระทั่งวันนึ่งมีคนแนะนําให้เธอไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไม่สนใจมาก่อนแต่ว่ามันไม่มีทางละก็เลยไปปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมมากก็เริ่มเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมตรห น, นักว่าคนเราเนี่ย บางคนก็มีอายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนตายช้าบางคนตายเร็วอันนี้เป็นเรื่องของกรรมก็ทําให้คลายความเศร้าโศกได้แต่ความรู้สึกผิดก็ยังโผล่ขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆแต่การปฏิบัติธรรมทำให้เธอได้เรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับความรู้สึกผิดแทนที่จะเจอจะกดข่มมันเธอก็เฝ้าดูเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปจนทั้งความรู้สึกผิดก็ค่อยคี่คลายไม่มารบกวนรังความเธอ และสิ่ที่ตามมาก็คือความสงบเย็นตามปฏิบัติธรรมทำให้เดอได้พบความสงบเย็นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนมันเหมือนว่าชีวิตเธอได้มันเหมือนว่าเธอได้พบชีวิตใหม่มีความสูขที่กว่าตอนที่ยังไม่ได้สูญเสียลูกอยู่เธอก็เลยอุทธรณ์ขึ้นมาว่าเนี่ยขอบคุณความตายของลูกที่ทำให้แม่ได้พบธรรมะความตายของลูกเป็สคิคุ้มค่า นะเจอผู้ชาที่นะ่าความตายลูกป็นสิ่คุ้มค่าเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นแม่แล้วเนี่ยความตายของลูกนี่ยิ่งใหญ่สุดยอดแล้วแต่เธอก็ยังบอกว่ามันยังคุ้มค่าเพราะมันทําให้เธอได้พบชีวิตใหม่มองในแง่หนึ่งนะความตายของลูกเนี่ยมันไม่ได้เลวร้วายเดียวมันมีข้อดีด้วย นั้จึงไม่ผิดที่พูดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นไอ้ที่ไม่ดีก็มีแต่ว่ามันก็มีความดีหรือข้อดีอยู่ด้วยเหมือนกันหรือถ้ามองอะไรไม่ออกเลยนะมันก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้ดีที่ไม่เลวร้ายต่กว่านีนะ้เคยมีพระรูปหนึ่งสายพุทธการชื่อพระกุณณนะมาถูลาพุทธเจ้าจเสด็จไปเมืองสุนันปันตระ ท่านเจ้าก็ท้วงว่าคนตูนปันตานี่ดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรคุณท่านก็บอกว่าถ้าเขาด่าว่าก็ยังก็ยังดีที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรถ้าทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาข้อนมาฟ้างแล้วถ้าข้าก็เอามาคว้างท่านจะคิดอย่างไรข้าก็เอามาควางก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าฟาดไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไร พ่อม่มฟาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าพ่อของแหลมมาแทงอย่จะคิดยังไรพ่อของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายพระเจ้าเลยถามเขาถามสุดท้ายแล้วถ้าฆ่าขันฆ่าขันฆ่ า, า, าท่านให้ตายท่านจะมองอย่างไรพระคุณธเ้าก็ตอบว่าคนมองคนอยากจะตายต้องไปหามีดมาต้องไปจ้างคนมาฆ่านะแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระองค์เจ้าว่าก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อย คือท่านมองอะไรเนี่ยดีไปหมดเลยนะท่านมองอะไรดีไปหมดเลยแม้กระทั่งถูกฆ่าตายก็ดีนะผู้เจ้าก็เลยพอเอิ ง, งั้นดีแล้วนั้นท่านไปเลยนะสุนทปันตะแต่สุดท้ายท่านไปเปลี่ยนคนที่ททนั่นนะให้กลายเป็นคนมีสีมีธรรมตัวพระคุณฑลตอนหลังก็จะเป็นพระอระหรันตะ์นั่ที่ที่มีคนบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราีทั้งนั้นนลยนะอย่างนี่นนก็คือนี่แหละคือดีที่มันไม่แย่แบบนี้นะ แต่ถ้าคุณมองให้ดูให้ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ดีที่ไม่ไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะมันยังให้ประโยชน์กับเราด้วยพระอรหันต์หลายท่านท่านบรรลุธรรมและเพราะความเจ็บป่วยบางท่านป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียบางท่านถูกเสือกัดตายบางท่านถูกไฟครอกแต่ว่าท่านสามารถจะใช้โอกาสที่ว่านี้นะในการบรรลุธรรมอย่างเช่นนางสามารถปติถูกไฟครอก เพราะว่าถูกนางอิจฉานาง ม, มาคันติยาในกันแกล้งไฟครั้งที่ไฟลุกท่วมตัวเนี่ยนอกจากนางจะไม่โกรธไม่เกลียดให้อภัยนางมคันติยาแล้วเนี่ยนางสามาวดีนะท่านยังิเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดนี่แหละนะเอาทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติธรรมจนวันทั่งเนี่ยจิตท่านหลุดค้นนะท่านก็เป็นปุรุธรรมขั้นสูงจงกนกระทั่งพระเจ้าสรรเสริญว่าการตายของนางสามาวดี ไม่ใช่เป็นการตายที่สูญเปล่าฉนั้นอยากจะให้พวกเรามองนี่นะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะเป็นสิ่งแย่เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นมันดีที่มันสุกใจเราให้เข้มแข็งมันฝึกมันสอนใจเราให้ไม่ประมาทอาตมาตราไปแล้วนะเมื่อวานนี้คนที่ถูกผู้หญิงฆ่าเกิดตายโดนแทงไปสามสิบแผลแต่การที่จะโกรธผู้หญิงคนนั้นแกก็ บ, บอกว่าเนี่ย มันทำให้ผมได้คิดว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นวันนี้เดินอยู่บนหน้าอยู่หน้าบ้านอาจจะมีรถเมยวิ่ง ม, มาทับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำสิ่งที่ดีสุดเสียแต่วันนี้การที่ถูกแทงเนี่ยแทนที่มอเป็นชอ็อปเป็นเป็นเคราะห์นั่นจะมองกับมองว่าเป็นการมาเตือนเป็นการมาเตือนให้เร่งทําความดีให้เร่งทาความเพียรเสียแต่วันนี้ ก็ถือว่าเป็นของขวัญกันนะถูกแทงเนี่ยนะถูกทำลายจนเกิดตายเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข็มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทกับชีวิตมองให้ดีเถะนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นบางทีเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นแต่เรามองไม่เห็นเองเมื่อความสุขอยู่กับเราแล้วแต่เรามองไม่เห็นนะ ตอนต้นตัวเราก็พูดไปแล้วว่าพวกเราพวกเรามีความสุขแต่บงทีเรามองไม่เห็นก็จะบาะชั้นทุกชั้นทุกชั้นทุกแต่ถ้าคุณยังกินอีกนอนอื่นถ้าคุณยังมีลูกมีพ่อแม่อยู่คุณยังไม่เจ็บไม่ปวนั่นแหละคุณรู้ความนั่นคือความสุขบางทีมันเกิดขึ้นแต่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราควรทํำก็คื อ, คอมองให้เห็นซะบางทีเรื่อง ง, ง่ายๆเนี่ยนะเรามองไม่เป็นเราก็เลยเห็นแต่ความทุกข์ นะพวกเราคงรู้จักซิโก้นะซิโก้เกติศักเสียนามเมืองตอนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยก็ เ, เป็นนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์นะ <c oughs> เขาเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปแข่งนะที่สิงคโปร์หรือว่าเวียดนามก็ไม่ทราบต้นหลังเนี่ ย, ก, ยก็ไปไกลกว่านั้นนะเซ็นสัญญาไปแข่งที่อังกฤษว่เป็นข่าวใหญ่ในเะมื่อสิปีที่แล้ว เป็นความฝันไม่ใช่เฉพาะของซิกโก้เท่านั้นแต่เป็นความฝันของคนไทยที่จะได้เห็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยลงสนามในลีกของอังกฤษซึ่งเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกซิกโก้นี่ใจพองเลยนะแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่เคยได้ลงสนามสักทีได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรองเครียดมากเลยนะซิกโก้บอกว่าเนี่ยหัวจะแตกเลยนะ มันผิดหวังมากสุดท้ายต้องกลับเมืองไทยนะแล้วพอรู้สุดก็กลับไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยมันล้มเหลวมากเลยไม่อยากพูดถึงแต่ไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยมีคนถามซิโก้เรื่องนี้พูดถึงการที่เขาไปอังกฤษครั้งนั้นซิโก้หัวเราะยิ้งบอกมันไม่มีอะไรเลยีแต่แตผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็น เดี๋บอกแปลงปีกข้งนั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้1ได้รถ2ได้บ้านสามได้ภาษาสี่ได้พัฒนาทักษะนะห้าได้เดินทางท่องเที่ยวหกได้เจอคนมากมาย8ได้เห็นมุมมองหลากหลายและก็ได้สัมผัธ์ดีที่ดีที่มีสีสันที่สุดในโลกสีอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามองไม่เห็นสิ่งที่เขาได้เ้ามองเห็นแต่สิ่งที่เขาเสียการแปลงปีกข้งนั้นเนี่ย นะเป็นของขวานของเขานะแต่ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นความซวยคือไม่ได้เล่นนั่นเป็เพราะเขามองไม่เห็นหมองไม่ออกนะเขายอมรับเองน ะ, ะนนเนี่ยไอ้เวลาเราเจอเคราะ์เราเจอเจอเคราะ์เนี่ยให้ลองมองนะว่าที่จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคที่อัมพรานก็ได้นะไมันจจเป็นโชคที่อัมพรางอัมพรามนมาในรูปของเคราะห์คุณทําใจให้ดีเปิดตั้งสติ ให้มันคงแล้วเปิดใจให้กว้างกูอากจะพบว่ามันมีประโยคน์มีโชคอย่างที่หลายคนพบว่าบะเร็งนี้นําสิ่งดีๆให้กับเขาหลายอย่างอย่างเด็กคนนึงเป็นมะเร็งดิวทีเมียอาุยีิบเอ็ดเนี่ยแกบอกเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันนําสิ่งที่ให้กับแกหลายอย่างเช่นทําให้เข้าใจธรรมะเขารู้เลยทําให้เห็นคุณค่าของธรรมะว่าธรรมะมีคุณค่าอย่างไรแต่ก่อนไม่สนใจเด็กอายุยี่ ทำให้เห็นดึงความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่แต่ความก็ไม่เห็นเพราะว่าชีวิตคนกรุงเทพเนี่หินห่างกันมากลูกไปเรียนแต่เช้าพ่อแม่ก็ไปทางนานกลับบ้านก็ไม่เคย ไ, ไเจอกันแต่พอลูกป่วยพ่อแม่ก็มาดูแลลูกก็เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่สามเขาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้จักคิดมากขึ้นรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้น แจบอกว่าถ้าแจไม่เป็นมะเร็งนะก็คงเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปคือเวลาอยู่ขอพักนะนอนตีสามบ่ายสามตื่นขึ้นมารอเพื่อนพาไปกินเหล้านะใช้ชีวิต อ, อยู่อย่างประมาทนะเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นแต่พอเป็นลิวเมีย น, นี่เปลี่ยนเลยนะอันนี้เลยว่าเป็นเคราะห์เป็นโชคที่อัมพรางมาในรูปของเคราะห์ หน้าที่ของเราคือมองให้ทะลุแล้วเห็นว่าไอ้เครา์จริงๆที่จริงและเป็นโชคเป็นของขวัญอย่างหนึ่งนะให้โชคนี่มันก็มาแปลงนะหลายคนบอกว่าฉันไม่มีโชคไม่มีโชคแต่ที่จริงโชคมาหาเราตลอดเวลาหรือบ่อยๆจริงแต่เรามองไม่เห็นมีนักธุรกิจคนหนึ่งแกเล่า ว, ว่าตอนที่แกเป็น ตอนที่แกเป็นเด็กแกเกิดในครอบครัวที่ยากจนอายุสิบห้าก็ต้องลาออกจากโรงเรียนมาขายของช่วยพ่อแม่ขายลัตเตอรี่ขายหนังสือทิมพ์ขายสารพัดโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นพ่อค้าเร่ไปขายของตามตาม่ตางจังหวัดแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จนจนกระทั่งอายุยี่สิบห้าหรือว่าประมาณนั้นนะค้าขายมาสิกกบกว่าปีก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะชักหน้าไม่ถึงหลังวันหนึ่งเนี่ยไปพิสุนุโลกไปพิสุนุโลก็ต้องไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชนินราชขอพรท่านอธิกานก่อให้มีโชคออกจากวัดมาก็มานั่งพักนะเหมือนนัขายของไม่ค่อยได้นะขายพวกเสื้อผ้าเนี่ยแต่ที่นั่งนี้นะ ก็เห็นรถซาเล้งผ่านมาก็เลยไปคุยเขาเขาหยุดพยีตรงนั้นก็เลยคุยกับรถซาเล้งว่าขายอะไรขยะขายด้ว ย, วยเรื่อยหรือไปหาขยามาจากไหนขายได้ราคาเท่าไหร่ไปขายที่ไหนพบว่าอุอ๊บขยะนี่มันก็มันก็มีราคาเหมือนกันนะจะเปลี่ยนจะได้ความที่เลยนะมาลองขายขยะดูจะพ่อค้าเร่ขายเสื้อผ้าข า, ขายอะไรมาขายขยะ นะเอารถกบาบะนี้ไปเก็บวรวบรมขยะตามหมู่บ้านต่างๆชาวบ้านไม่ค่อยให้ก็เอาไข่ก็ดีเอาเสื้อผ้ามาแลกบอกว่ารายได้ดีและกิจการก็เจริญผูนะ้ใช้สั้นๆนะตะหลังเนี่ยก็มีนะก็มีร้านเนี่ยกก็มีโรงงานรีไซเคิลขยะและกายมีสาขาเนี่ยทั่วประเทศนะ ปลบร้อยกว่าสาขาเป็นเศรษฐีไม่รู้ร้อยล้านพันล้านหรือว่ากิจการแกอาจจะหมื่นล้านก็ได้มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยโรงัานรีไซเคิลทันสมัยสุดในเอเชียพผ่นดิรู้จักวงทานิกนะสุคสุคุณสมไทยนี่คือเรื่องคุณสมไทยแกอยากได้โชคใช่ไ้ยแล้วแกก็พบโชคในรูปของรถสาเลง รถซาเล้งมาบอกแกว่าค้าขายแบบนี้สิคนส่วนใหญ่เห็นรถซาเล้งก็เฉยๆแต่สำหรับคุณสมชายนี่นั่นคือโชคแล้วเพราะมันทำให้แกเปลี่ยนนะหลายคนเนี่ยเห็นโชคผ่านมาแต่ไม่รู้ว่านั่นคือโชคแต่ถ้าคุณมองให้เป็นเนี่ยคุณจะพบว่าโชคเนี่ยมาหาคุณอยู่เรื่อยๆนี่เอา่า 40ปีพอดีนั้นมันมีเหตุการณ์เล็กๆ เ, กเกหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกเลยไม่ใช่เหตุการณ์คึกโครมใหญ่โตนะ40ปีที่แล้วเนี่ยมันมีพนักงานบริษัทฮิลเล็ตเพกกาอย่างฮิลเล็ตเพกกาใช่ั้ยที่แคลิฟอร์เนียอายุ26แกเอาวงจรคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเสนอให้กับเจ้านายและซโอของบริษัท น, น, นักการเมืี่แต่งตัวซกมกผมคราวนเนี้ยนะเยิ่มเลยคราวนเนี้รกเลยนะคุณเขาคุณเข้เขาใจนะสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเครื่องใหญ่เต็มห้องเลยเวลาจะเวลาจะโปรแกรมเนี่ยต้องต้องทิมต้องทิมต้องเจาะกระดาษพวกเราถ้าอายุสักห้าสิบหกสิบคงทันนะเจาะกระดาษ กระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยสำหรับคำสั่งแค่หนึ่งประโยชน์ถ้าคำสั่งร้อยประโยชน์ก็คือร้อยแผ่นสายก็ไปเรื่อยๆนะสายก็ไปไม่มีคีย์บอร์ดแสดงผลด้วยการพิมพ์เป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับไปพับมาเห็นั้มให้หมอเนี่ยนับนุ่มบคนเนี่ยจะเสนอแบบคอมพิวเตอร์ บุคคลที่แสดงผลด้วยจอและสายข้อมูลด้วยคีย์บอร์ดปกเจ้านายที่อยู่ในเพการบอกว่าไม่สนใจตลาดแคบมันเหมาะสำหรับนักเล่นคอมพิวเตอร์ไอ้หนุ่มคนนี้ผิดหวังนะแต่แกก็ไม่เพะแกก็เลยไปตั้งบริษัท กับคู่หูของแกบริษัทนั้นชื่อ Apple คู่หูคนนั้นคือ Steve Jobs และหนุ่มคนนั้นคือ w a ส n i a k 40ปีเนี่ยนะผ่านไปเป็นไงคอมพิวเตอร์ Apple เนี่ยมันตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ Apple กันแทบทั้งนั้นคีน่แหละแพกกาเนี่ยนะถ้าวันนั้นเนี่ยรับข้อเสนอของนายวอสเนป่านนี้รวยไม่รู้เรื่องละ โชคมาหาถึงถึงที่นะเมื่อต้องไปหาโชคที่ไหนกนะ็โชคมาหานะแต่ไม่สนใจไงนะโชคก็เลยเป็นของแอปเปิลไนะคือนะไหมาดเนี้ยนี่คือเห่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเกิดขึ้นครั้งแล้ครั้งล่ า, าคือโชคมาหาเราแต่เราปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพยายามพยายามตั้งแต่งเสมอนะว่ า, าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นโชคเป็นของฝันแต่ที่อยากจะย้ําสุดท้ายในที่นี้คือว่าของผัญที่ล้าค่ายอย่างหนึ่งนะก็คือวันนี้วันนี้คือของขวัญคุณไม่คยตระหนักนะวันนี้เนี่ยมันสําคัญอย่างไรวันนี้คือเวลาเดียวเท่านั้นวันนี้คือวันเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถจะทําอะไรได้ เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกหรือว่าถ้าคุณต้องการความเจริญนอกงามคุณก็ใช้วันนี้เนี่ยสร้างมันขึ้นมาเมื่อวานทำอะไรไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงที่จริงแล้วการที่คุณมีวันนี้เนี่ยมันแสดงว่าคุณยังมีชีวิตคนตายแล้วพขาไม่มีวันนี้นะถ้าคุณยังมีวันนี้นั่นแสดงคุณยังมีชีวิต แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไม่สนใจใช้วันนี้มีประโยชน์ใจเขาคิดถึงแต่วันเมื่อวานนึกถึงแต่ความผิดพลาดเมื่อสิบปีก่อนจมอยู่ในความเศร้าโศกที่สูญเสียคนรักหรือว่าโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่ผ่านไรแล้วเมื่อสามปีที่แล้วตัวเขาอยู่นี่แต่ใจเขาอยู่อดีตเนะขาปล่ อ, อยให้วันนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์บางคนใจก็อยู่บ่อยวันพรุ่งนี้ และลืมวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนักจ่ายเข็มมาลอดมาเข็มมากดสาปมาทาำเฟรชฟ o ้ดสามีเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็กําลังจะตายหมอก็รักษาไม่ไหวก็ให้มาดูแลที่บ้านก็เห็นว่าการรักษาที่บ้านที่โรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้มากเธอก็แาจ ก, ก้าวเศร้าโศกเสียใจเธอรอตกกังวลมากว่าถ้าสามีตายเนี่ยเธอจะอยู่อย่างไรแล้วลูกหลาน เธอเอาแต่วิ่ตกกังวลจกนกทั่งร่างกายผายป่องไม่ยอมพินไม่ยอมนอนมาปรึกษาตนอ่าจะทำอย่างไรต่อมาก็บอกว่าก็เห็นใจเธอนะเอราะทำเห็นใจเธอจะอยากเตือนเธอนะว่าสามียังไม่ตายตอนนี้สามียังอยู่นี่คือโอกาสทองโอกาสนี้มันเกิผดหายปไปเรื่อย อย่าปล่อยให้มันผ่านให้มันหลุอยไปพยายามทำสิ่งดีๆกับสามีหาความสุขร่วมกันกับสามีในเวลานี้เพราะถ้าเธอปล่อยให้มันผ่านเลยไปเอาแต่กังวลว่าสามีตายเธอจะอยู่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากมีวันนี้แล้วเนี่ยไม่สนใจ ไปคิดถึงแต่วันพรุ่งนี้พอเขียนไปเธอก็ตอบกับบอกว่าตอนนี้ได้สติแล้วตอนนี้เนี่ยพยายามกลับมาดูแลตัวเองนะพยายามดูแลตัวเองเพื่อจะได้ทาสิ่งดีๆกับสามีหรือว่าทาสิ่งดีให้กับเขาคือกลับมาอยู่กับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบัน วันนี้คือของขัญที่ล้าค่านะฮะใช้วันนี้เป็นประโยชน์อยู่กับวันนี้ให้มากๆหรือถ้ายที่อยู่กับขณะนี้ให้เยอะๆอย่าปล่อยใจให้ไปอยู่กับอดีตอย่าปล่อยใจให้ไปกังวลกับอนาคตถ้าปล่อยใจอยู่กับอดีตนะถ้าไม่เศร้าก็โปรดอะไรอาวร์ทุกครั้งที่เราเศร้าทุกครั้งที่เราอะไรอาวรเนี่ยนั่นเพราะใจเราอยู่กับเมื่อวาน ถ้าคุณปล่อยใจไปอยู่กับอนาคตนะคุณจะวิตกกังวลคุณจะหนักอกหนักใจเวลาทุกครั้งที่คุณกังวลคุณเน่าหลังจาจเนี่ยคุณกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นงั่นแหละวิตกกับนี่วิตกกับเศรษฐกิจวิตกกับเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่เกิดขึ้นเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับวินาทีนี้แล้วคุณจะ รู้สึกถึงความโปร่งเบาและมีกาลังและกูจะใช้วันนี้ขณนะ น, นี้ได้อย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่านั้นก็สุ่งงานคือว่าของขวัญชีวิตนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าของเราและในชีวิตนี้เนี่ยมีของขวัญที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งก็คือวันนี้แต่ไม่ใช่เท่านั้นนะ ทุกอย่างที่เรามีอยู่กับเราตอนนี้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าบวกหรือลบล้วนแล้วแต่มีค่าทั้งนั้นเป็นโชคที่อาจจะอําพราบมาลุผล ข, ของเคราะห์นะใช้มันให้เป็นประโยชน์ครเจ้าตรัสว่าบุคคลใดนะที่รู้จักใช้ประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารมบอกไปแล้วนะอิทธารมคืออะไรอิถารมคืออะไร ผู้จักสารสวดผู้นั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจาลมจากความเสื่อมน่าจากความเสื่อมยศจากคําต่อว่าดาทอจากความเจ็บป่วยและความพบพักราสิ่งอันนี้คือของฝันผู้จกักอาจารย์ประมวลคือว่าเขารวนแหลกแต่เป็นอุปกรณ์ที่มาอุปกรณ์เพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกของเราก็ข อ, อยุตินะ การจัดธรรมยาตรานะเพียงเท่านี้ปีหน้าฟ้าใหม่ก็มาปกตินะ mm hmm. ธรรมยาตราแม้จะจบแล้วนะแต่ว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปทําให้ชีวิเราเป็นธรรมยาตรานะ mm hmm. คือการเป็นการยาตราบนบนเส้นทางธรรมก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญนะท้ายที่สุดมก็ขออ้างขุนประสิทธรัตน์ตรยัอมมยอํานวยเผยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาพละ เพื่อเป็นรับปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมอด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาขอให้มีปัญญามองเห็นประโยชน์จากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะและใช้สิ่งที่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางธรรมขอให้ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั้นนําพาล้อยพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเศศสา3มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกวามทุกคนเทิน อืม